ผู้ที่เข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาถ้าเข้ามาเพื่อศึกษาและก็ทําเข้ามาเพื่อปฏิบัติแล้วก็เข้ามาเพื่อสสแสวงหาทางพ้นทุกข์ตามแนวของพุทธเรื่องราวจะไม่มีมีน้อยเพราะเหตุใดเพราะว่าเราเข้ามาเพื่อศึกษาและก็หาทางพ้นทุกข์ไม่มีอะไรมากเพราะชีวิตของเรา อยู่เป็นวันวันอย่างพวกเราอยู่อย่างทุกวันนี้ก็พอเพียงไม่เดือดร้อนฉันทหารวันละมือ้อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีที่รองรับแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นไปตามสมณะสารูปหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายอุบาสิกาก็มีตามอัตภาพหนักบ้างเบาบ้างมีงานบ้างไม่มีงานบ้าง เป็นบางครั้งงานหนั ก, กรู้ว่าหนักเบาก็ต้องรู้ว่าเบาอย่างฝอยพระก็เหมือนกันเบาก็คืองานเบาก็คือไม่มีอะไรในช่วงนั้นแต่งานหนักก็คือถ้ามีปัญหาอย่างท่อน้ําแตกเนี่ยเล็บกุติรั่วหรือไม้ทับกุติเนี่ยอันนี้ก็คือต้องช่วยกันต้องหนักแต่เมื่อไม่มีอะไรก็ไม่มีการดูแลรักษา ก็ต่างองค์ก็ต่างประพุทิปฏิัติหาทางพ้นทุกต่อไปอันนี้ก็คือการที่เข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาแบบพระปาแต่โดยมากไม่ใช่โดยมากแต่บางแห่งพอเข้ามาแล้วก็มีผลประโยชน์เนี่ยตัวผลประโยชน์เนี่ยจะทำให้พวกกลุ่มแตกแยกสมัครขี่พอผลประโยชน์เข้ามา คนหนึ่งได้มากคนหนึ่งได้น้อยคนหนึ่งอยู่ใกล้อาจารย์คนหนึ่งไม่อยู่อยู่ไกลอาจารย์คนหนึ่งอยู่ไม่ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคกัน <c oughs> ตัวนี้แหละความน้อยอกน้อยใจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าผู้ที่หวังมรรคผลจริงๆก็จะไม่มีแต่ถ้าว่าผู้ยังไม่เต็มร้อยเนะี่ยจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นจากนั้นก็มีเรื่องราวละทีนี้ สรุปแล้วก็คือเรื่องผลประโยชน์นอกนั้นไม่มีอะไรถ้าว่าต่างคนต่างมุ่งไม่มีผลประโยชน์ในพระในค ร, รั้งพุทธกาลท่านอยู่เป็นพันเป็นหมื่นท่านก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าว่ามีผลประโยชน์เข้ามาแล้วนั่นแหละมองผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างทุกวันนี้สมัยนี้เรื่องเงินที่เข้ามาสู่จากนั้นก็คนนั้นได้เป็นบุคคลสําคัญคนนี้เป็นบุคคลสําคัญ ก็เลยแย่งกันเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มนั้นผลในสุดก็เลยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เลยผ่านมาถึงสมพานที่ให้ความสำคัญไม่เสมอภาคกันก็เลยเรื่องรลยยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างพวกเราท่านตั้งหลายได้ยินอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือเรื่องผลประโยชน์แต่ถ้าว่าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเงินเข้ามายุ่ง ก็คงไม่มีอะไรในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ตามไม่จริงเราไปอยู่ณสถานที่ใดเราก็ควรจะมองให้รอบรอบรู้รอบครอบถ้าเป็นไปได้นะแต่ก็ยางว่าถ้าว่าเป็นพานแลชนระึงจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ขนาดไหนจะทำความเข้าใจขนาดไหนจะบอกเ่าให้ฟังขนาดไหนก็ไม่ฟังไม่อยากเข้าใจไม่ยอมฟังเหตุผลเพราะอะไรเพราะไม่ได้อย่างใจตัวเอง อันนี้ก็มีเหมือนกันนะไม่ว่าไม่มีมีอยู่แต่ถ้าว่าบางคนก็ฟังหลักเหตุผลอันนั้นก็ไม่มีปัญหาชี้แจงกันมีอะไรก็ปรึกษาปรารบกันเรื่องราวก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ที่เรื่องราวกเกิดขึ้นนันคือไม่อยากจะเข้าใจฟังให้ฟังอยู่แต่ไม่อยากจะเข้าใจผลที่สุด ก, ก็เลยมีเรื่องราวแต่ตามไม่ยิงการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีผิดมีถูก ไม่ได้มีเสียเป็นธรรมดาเสียเปียบได้เปียบกันเป็นธรรมดาบางครั้งครูบาอาจารย์ก็ให้ความเมตตาทุกคู่ทุกคนแต่ว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์ภายนอกสิ่งเหล่านี้ก็จําเป็นเหมือนกันเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาท่านกลวว่าสังฆาวัตถุ4การสงเคราะห์ด้วยปัจจัยการสงเคราะห์ด้วยคําพูดการสงเคราะห์กา ร, รอยู่ด้วยกันด้วยอัดด้วยธรรม อันนี้ก็คือการสงเคราะห์ทั้งอา mith ด้วยนะและก็เมื่อมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาช่วยกันแก้ไขปรับปรุงแก้ไขว่าเมื่อได้มาอย่างนี้แล้วเราควรจะทำยังไงควรจะแบ่งปันอย่างไรให้ฝ่ายพระสงฆ์อย่างไรให้ฝ่ายบ้านเมืองอย่างไรบ้านเมืองก็คือ ช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยชุมชนพูดง่ายๆสรุปแล้วก็คือแบ่งแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมเนนไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ได้มาพูดเกี่ยวกับการบริหารเรื่องวัดวาศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควร อย่างที่ว่าบางแห่งที่เขาพูดว่าวัดทำไมไม่มีโบสถ์อย่างนี้ทำไมไม่มีโบสถ์มีแต่ศาลาทำไมวัดจึงอยู่ในป่าทำไมจึงปิดไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนพวกผ่านตามไม่จริงวัดจ ะ, จะต้องมีคนเข้าไปเวลาไหนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ตามไม่จริงถ้าว่าผู้ใดศึกษาในแนวทางปฏิบัติของพระป่าแล้วทุกแห่งทุกหนเขาก็ต้องมีเขตห่วงห้าม เขตหงห้ามอย่างอย่างทหารหรือว่าข้าราชการบางส่วนเขาห้ามเข้าเขาก็บอกเพราะเหตุไรเพราะเข้าไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรโตโตติเ ต, ตพอลาคาญเขาอันนี้ก็เหมือนกันวัดก็ต้องมีเขตห้ามเข้าเหมือนกันเหตห้ามเข้านั่นคืออะไรสมมติว่าอย่างวัดของเราเนี่ยถ้าว่ามาตามปกติมารักษาศีลพวกชาวบ้านมารักษาศีลแล้วมาทํางานเข้าไปได้ทุกแห่งหนไม่มีการห่วงห้ามเพราไปทํางานไปช่วยการ่วยงานช่วยการพระ แต่ถ้าวัดชาวบ้านทางอื่นมาเนี่ยจะปล่อยให้เข้าไปเพ่นพ่านวุ่นวายไม่ได้เนีกลุ่มนี้เข้ามาไปเห็นลิงไปเห็นเขาลอกกรแตไปเห็นหมูปา่าพ้นที่สุก โ, ฮโฮวยวายแต่กลุ่มนี้เข้ามาอีกมันไม่ใช่กลุ่มเดียววันหนึ่งเป็นหลายกลุ่มพอเข้ามาทําไงก็ทําให้พระอยู่ในวัดสถานที่นั้นๆไม่ได้ภาวนาหาความสงบไปได้ก็ต้องมีกฎห้ามเข้าปิดมาห้ามเข้า ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าเจ้าของสำนักหรือว่าคนในพื้นที่นั้นๆจะรู้ได้แต่คนทางนอกเนี่ยจะไปโวยโวายตีโพยตีภายไม่ได้เพราะท่านไม่ได้อยู่เพราะถ้าอยากจะรู้ก็ต้องมาศึกษาทำไมจึงไม่ให้เข้านะอันนี้ถ้าว่าคนเข้ามาพราเวีก็ต้องบอกเออจะดูก็ดูบริเวณศาลานี่แหละเข้าไปข้างในไม่ได้นะพระสงฆ์ท่านภาวนาอย่างนี้อันนี้ก็ พระจะต้องห้ามจะต้องบอกกล่าวเพราะพระตองการความสงบพระมาอยู่ในวัดของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้สาสหรูปต่างองค์ก็ต่างมาจากแต่ะถิน่นแต่ลฐานมาจากจารุรทิศมาเพื่อเสียสละมาเพื่อภาวนาแล้วจะมายุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดทั้งวีทั้งวันอย่างนั้นมาจะถูกเลือคาทุนนะมาอย่างนั้นเพราะฉนั้นเราหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดหลวงพ่อก็ต้องบอกว่าถ้าไม่จําเป็นอยากเข้าไปนะสกัดไปก่อน พภาวนาของท่านหาความสงบแต่ว่าต้องการมีใครญาติโยมพี่น้องมาก็มารับแขกที่ศาลานี้ามาพูดมาคุยกันที่ศาลาแห่งนี้แต่ถ้าว่าเป็นแขกคนธรรมดาก็ห้ามแต่ว่าตอนเช้าจะไปดูวัดลุงพ่อก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าวัดของเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเป็นแต่วัดวัดวาศ า, ศาสนาเนี่ยนะ อันนี้คือคือส่วนหนึ่งเรื่องทำไมศาลาจึงไม่มีโบสถ์เนี่ยเขามาโบสถ์คำนี้นะี่ยโบสถ์มันเกิดขึ้นมาทีหลังคขา่าโบสถ์วิหารนะขึ้นในหลักหลักของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไปโบสถ์พิชุปัญจาวคีต่างห้าท่านก็ไม่เห็นมีโบสถ์ที่ไหนท่านมาเอหีภิฆุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำรองกล่าวดีแล้วให้ท่านประพุทธผมมาจันเพียงแค่นี้ก็เป็นพระแล้วนี่แหละอันนี้คือ ปัญจวคีทั้ง5จากนั้นก็มาโปรดยดศ ก, กุลบุตรอีกก็เอหิภิกข u อีกเหมือนกันแล้วก็มาบวชจารินสามพี่น้องอีกพันสมองค์อีกเอหิภิกข u อีกแต่ท่านจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่ไหนทันนะจากนั้นก็มนใช่นะครับพุทธการก็ไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่ถึงจิตเดียวนี้ก็เถอะพราะพระเจ้าท่านวางวิเนยไว้ให้ศึกษามีมากมายเพราะนั้นเรื่องหลักธรรมวินยัยเนี่ยถ้าเราจะไปพูดไปโดยที่ไม่ได้ คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ได้นะอย่างพระท่านพุทธทาสที่สยามท่านก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาที่บวชพระของท่านปักก้อนหินไว้สีทิศเท่านั้นเองแล้วก็บวชพระทําสังฆกรรมได้ทุกอย่างเพราะเหตุใดเพราะว่าพระวินัยของพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นได้รับถ้าได้รับอนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินอย่างของเราเนี่ยพระราชทานวิสุงคามสิมมา วิษพระราชทานเขตวิสุขารรมศิมาอย่างมีหลักอยู่ข้างหน้าเองมะนั่นแหละเขตของในหลวงพระราชทานเราขออนุญาตแล้วก็ปักหลักแล้วก็ทําสังกกรรมได้ทุกอย่างจะไม่มีศาลาหลังนี้ก็ได้ศ า, าลานี้ลื้อไปแต่เราต้องทําที่นี่ทําดินดินบริเวณนี้คือดินนี้ดินศักดิ์สิทธิ์ดินพระเจ้าแผ่นดินอนุญาตให้สงให้สงอยู่ ให้สงฆ์ทำสังฆกรรมได้ถึงจะไม่มีโบสถ์หลังคาแหลมแหลมก็ได้ไม่มีสารานหลังนี้ก็ได้แต่มีหลักสีหลักแต่ถ้าไม่มีสีหลักนั้นบวชได้ไ ม, ไม่ไม่ได้ผิดวินัยเพราะพระเจ้าไม่อนุญาตเพราะแผ่นดินตรงนั้นไม่ได้รับไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินก่อนทีนี้ถ้าไม่มีไม่ได้รับอนุญาตล่ะอย่างเราไปบวชพระอเมริกาอังกฤษหรือว่าต่างชาติเราทํายังไงหรือในเมืองไทย ในเมืองไทยก็ถ้าเราไม่มีโบสถ์วิหารล่ะจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ไปบวชในน้ําสีมาน้ําสิมาน้ํานั้นไม่ให้ขุดสะนะถ้าขุดสะและกั้นเกินไม่ได้ไม่ถูกตามพระวินัยต้องเป็นหนองน้ําธรรมชาตินะอย่างน้องหานอย่างเนี้ยน้องหานลุนพระวานน้องหานอุดรนย้องหานจกนครคือเป็นหนองน้ําใหญ่แต่แถวเนี้ก็มีหนองน้ำนะ เราก็ไปบวชในหนองน้านั้นทั้งคาดแพรไปทำแพระทำไม้ไผ่แล้วก็ทำแพรให้พระนั่งได้ประมาณยี่สิบเป็นอย่างมากและสิบองค์เป็นอย่างน้อยในแพรนั้นในเมื่อพระสูงเข้าไปแล้วก็ให้ขยับแพรออกไปให้มันห่างห่างจากฝั่งห่างขนาดไหนห่างที่ว่าคนมีอายุสามสิบปีเอาน้ำใส่กระป๋องสาดเข้าฝั่งไม่ถึงฝั่งนั่นแหละแปลว่า ไห่แผรอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่ไม่ใช่ว่าติดฝังอยู่นะถ้าติดฝังไม่ได้ผิดวินายอีกถ้าไหลแผ่เข้าไปอยู่ในกลางไกลไๆจากแม่น้ำขนาดคนอายุ30ปีศาปีสาน้ำอาจไม่ถึงฝังแปลว่าอันนั้นคือสิมมาน้าบวชพระได้ไม่ต้องมีหลักวิสุคามซิมาอันนี้แหละคือพระวินายของพระสงฆ์จากนั้นก็ถ้าไปบวชในต่างประเทศล่ะ ต่างประเทศท่านก็ใช้อย่างนั้นอีกเหมือนกันท่านก็จับเรือมาลหลายลำมาเสร็จแล้วท่านก็มามัดเรือให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ท่านก็วางสมอลงไปแล้วให้มันห่างบวชในน้ําทะเลก็ได้นะน้ําทะเลมเป็นน้ํำธรรมชาตินะบวชในน้ําทะเลก็ได้ถึงลากออกไปแต่ท่านบอกว่าไม่ให้บวชในน้ําไหลที่ไหลเชี่ยวนะถ้านไหลไม่แรงบวชได้ถ้าไหลเชี่ยวมันอาจจะไหลแรงไปมันอาจจะ ทำให้การบวชแต่กระจุยกระจายบปงั้นอะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติวิธัยสำหรับผู้ที่จะทำสังฆกรรมในโบสถ์ในวิหารไม่ใช่ว่าเราจะมีวิหารซะก่อนเราจึ ง, จ, งจะบวชอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้เราควรทำความเข้าใจกับพวกเราท่านทั้งหลายนะและทีนี้อย่างบางคนอย่างครูบาอาจารย์ท่านกนะ็บอกว่าเอ้ยการสร้างโบสถ์ก็ดีถ้ามันการที่จะสร้างโบสถ์เราต้องดู ดูซะก่อนว่าคุ้มค่าไหมในการขอสร้างไม่ใช่ว่าสมภารมีบุญหนักศั์ใหญ่มีคนประวรณาแล้วก็สร้างไปอยู่ที่ไหนก็สร้างหดสร้างในปา่าในดงพอสร้างเสร็จแล้วทําสังฆกรรมปีหนึ่งครั้งสองครั้งบางทีอาจจะไม่ได้ทําอีกต่างหาก <c oughs> หาอุปชาไม่ได้เพราะก็ทําที่อื่นแต่นี้ก็ขังพระพุทธรูปใหญ่เอาไว้ในโบสถวิหารอะขังพระไว้อย่างนั้นแหะไม่ขังได้ยังให้ปิดประตู หน้าต่างไว้หมดอย่างนั้นก็มีแต่ขี่ตุ๊กแกจิงจกจริงเลนข้างพวง ข, งข้างคขาเข้าไปในโบสถ์นั้นมันไม่คุ้มค่าที่จะที่เราลงทุนไปยี่สิบสามสิบส่สบล้านที่จะสร้างโบสถ์ให้สวยงามอันนั้นเป็นเครื่องประดับบา ร, รมีของสมภารท่านันเองถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วก็ไม่ควรจะสร้างสร้างศาลาไปกอเพียงพอแล้วหลับไว้สูงคามซิ ม, มา ใช้ได้แล้วสำรวจสาหรับปวดพระนะอันนี้คือหลักพระวินยนะัยถ้าว่าหลวงพ่อไม่บอกไม่กล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็คงจะเขาว่าจะไงก็ว่าไปตามเขาอีกเหมือนกันแลนะสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษานะมีพระวินัยนะทำอะไรต้องอยู่ในหลักกอบของหลักพระธรรมวินยัยสรุปแล้วก็คือให้อยู่ในกฎหมายนะั่นะจะทายังไงต้องอยู่ในกฎหมาย กฎหมายบ้านเมืองที่เขากําหนดออกมาแล้วต้องเคารพในกฎหมายนั้นอันนี้หลักธรรมพินัยของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ไม่ได้มีการแก้กฎหมายไม่ได้มีการแก้หลักธรรมพินัยอีกเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ทั้งยังไงก็ต้องอย่างนั้นเว้นเสียจะบอกเอออันนี้มันรู้สึกมันไม่เข้ากับสังคมแล้วก็เอาไว้น่ะจะไปถอดถอนอีกก็ไม่ได้อีกต้องเอาไว้อย่างนั้น เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตพอถึงยุคนั้นเข้ามาอาจจะเกิดประโยชน์อันนี้ก็ต้องเก็บหลักธรรมภาในตัวนั้นไว้ก่อนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่าไปเห็นแก่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมันไม่ถูกต้องนะเพราะการมาบวชในพุทธศาสนาเรามามุ่งหวังอะไรนะเรามามุ่งวังอะไรถามใจตัวเอง ถ้ามุ่งหวังโลกรมิดแล้วอย่าอยู่ในศาสนาเนีออกไปทุ่งไปทรามมาค้าขายนะถ้าเราบวชเข้ามาแล้วเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์เออเอ้าเข้ามาแล้วก็ศึกษาขาดเหลือขาดตกอะไรมีปัญหาอะไรก็ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทำช่วยๆกันจัดการในเรื่องนั้นแล้วก็ได้มาโดยเป็นธรรมใช้จ่ายโดยเป็นธรรมข่าหงหาอาหารขาน้าข่าวไฟ ข้าพิกษุนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาถวายปัจจัยมาเขาไม่ถวายมาเพื่อสังหารภิกษุนะ์ะไม่ถวายมาเพื่อทํำร้ายภิกษุไม่ใช่เขาถวายมาด้วยน้ําจิตน้ําใจของเขาขอถวายปัจจัยสี่สมควรแก่สมณะบริโภคถ่าพระคุณท่านมีความประสงค์ในปัจจัยสีคือเจ็บไข้ได้ป่วยอยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยผ่านนุ่งหม่มอันนี้ก็คือถวายปัจจัยสี่ประสงค์ประสงค์เห็นว่าเออ สมควรจะใช้แล้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้ามันเหลือถ้ามันเหลือที่จ ะ, จะต้องใช้ก็สร้างเสนาสนะซึ่งออกจากเสนาสนะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์หลงลาโรงเรียนโรงพยาบาลอย่างล่งตามหาบัวท่านพาธรำนั่นแหละต่างช่วยสงเคราะห์โลกอยู่ได้วัตรวาศาสนาก็อยู่ได้วัตวาศาสนาอยู่ได้โลกก็ต้องอยู่ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพวกเราต่างคนก็ต่างอยู่หันหลังให้กัน วัดก็ไ ป, กไปอย่างหนึ่งบ้านก็ไปอย่างหนึ่งก็อย่างวาดนะอีกสักวันหนึ่งบ้านก็ต้องมองวัดว่าทําไมวัดยังเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้ทําไมจึงรลล่ารวยย่างงุงนง้นอย่างนี้ทําไมจึงไปมีการแบ่งปันย่างงุ้นอย่างนี้แต่ตามไม่จริงมันมองแต่ระดนอื่นน่ะนะโดยมากหลวงพ่อเคยพูดนะมันอยากจะรู้แต่เงินวัดว่าเงินวัดมีเท่าไหร่แต่บาเงินวัดอยากจะรู้เงินในกระเป๋าของชาวบ้านนลยชาวบ้านปิดไว้อย่างดีไม่มีใครอยากจะ อยากจะเปิดไม่ให้วัดฟังแต่เงินวัดน่ยอยากจะรู้นักแต่เงินในกระเป๋าของตัวเองน่ยปิดไว้ให้ดีให้ดิบให้ดีทําไมทําไมจะเป็นอย่างงั้นแสดงว่าวัดนี่วัดวาศาสนาครูบาอาจารย์นี่โง่มากเพราะงั้นเน่ยเพราะอยากจะดูเงินเงินของคนโง่โง่กันแต่ตัวเองเนฉลาดปิดเอาไว้ไม่อยากจะให้ใครรู้ใครเห็นมาเป็นยังไงนี่แหละมนุษย์ใช่จะว่าไปเลยเห็นแก่ตัวนะสรุปแล้วคือเห็นแก่ตัวไม่ใช่ไม่เห็นแก่ แกใครเพราะงั้นนะถ้าเห็นแก่คนก็ต้องใจเขาใจเราซิเขาก็ปิดมีความคิดเหมือนกันกับเราเราก็มีความคิดกับเหมือนกับท่านต้องให้เกียรติกันต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าตัวเองอเป็นความลับแต่คนอื่นหาความลับไปได้งั้นใช่เหรอมันถูกไหมมันไม่ถูกนะความลับต้องมีกับทุกคนนั่นนหะความลับในการไหนหลวงพ่อจะตามอย่าเอา้าหลวงพ่อเขาไปห้องน้ําไปถ่ายหลวงพ่อ ปิดประตูอย่างดีเหมือนกันนั่นแหละความลับของหลวงพอ่อใครต้องมีความลับโดยการทั้งหมดนั่นแหะถ้าไม่มีความลับจะทํายังไงจยางนุ่งผ้าเสือ้อนุ่งเสือ้อจึ้งผ้านก็คือความลับเหมือนกั น, น่ะปิดเอาไว้นี่ทุกคนก็ต้องมีความลับแต่ไปเปิดเผยได้ยังไงบางสิ่งบางอย่างถ้าจะเปิดเผยก็ต้องมาพูดกันมาพูดกันเข้าใจกันใไหมอันนี้ไม่พูดถึงขนาดนั้นหรอกเปิดเผยนั้นคืออะไรหลวงพ่อจะไม่พูดถึงขนาดนั้นเหมือนกันนะ พวกนั่งฟังคงจะรู้กันว่าเป็นอะไรเพราะงัน้นนี่แหละอันนี้ก็คือต้องทําความค่อยใจกันว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรในพัฒวาศาสนาในการบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าไปปวยวายโพยภายข้างนอกอันนั้นแปลว่าไม่เจตนาดีเป็นเจตนาทําร้ายทำร้ายพระพุทธศาสนาต่างหักไม่ต้องการฟังหลักเขตุผลแต่ถ้าว่าทังฟังรักเขตุผลแล้วก็ต้องมาปรึกษาปารุปกัน เรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนั้นเป็นยังไงปรึกษาปรัรบกันถ้าเมื่อปรึกษาปรัรบกันแล้วนั้นต้องมีที่ไปที่มาต้องรู้นะแต่จะไปเปิดเผยให้ชาวบ้านดูทั้งฟีทั้งวันเราเห็นแต่คนเดินข้างถนนผมยาวๆมาแก้ผ้าอลไรนั้นนะไม่มีความลับนะแต่ทุกคนถ้ามีสติมีปัญญาแล้วก็ต้องมีความลับมีนอกมีในมีใกล้มีไกลมีสูงมีต่ําควรจะพูดยังไงไม่ควรพูดอย่างไร ควรจะเปิดเผยยังไงไม่ควรจะเปิดเผย อ, อย่างไรมันต้องมีด้วยกันทั้งนั้นแหละนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดอีกอย่างหนึ่งให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษ า, าตอตานนี้ไปรับพรอนรุโมทนาให้พร